หลวงพ่อจะสรุปหลักของการปฏิบัติทั้งหมดเลยให้ฟังนะในวันนี้เพราะว่าวันสุดท้ายของพวกเราล้ที่จะมาเรียนการปฏิบัติธรรมนั้นทําไปเพื่อความพ้นทุกขเนื้อวัตถุประสงค์หลักก็พ้นทุกสิ้นเชิงก่อนจะพ้นทุกได้ขั้นแรกต้องเห็นก่อนว่าตัวเราไม่มีถ้าตัวเรามีอยู่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่มันว่างเปล่า จากความมีตัวมีตนถ้าพอนาไปไมันจะรู้ความจริงอันหนึง่งว่าโลกนี้ไม่ไม่มีอะไรโลกนี้เป็นของโชคลาวเหมือนฝันอยู่เท่า น, นั้นเองคนทั่วไปก็กระโดดโลดเต้นเอาจริงเอาจังกับความฝันนี่พอเราเข้าใจโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจมันไม่เข้าไปยึดถือ เม่ใจไม่เข้าไปยึดถือนยใจจะมีความสุขอันมหาศาลเเป็นความสุขที่เรานึกไม่ถึงความสุขในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความสุขเพราะเราได้เห็นบางอย่างเราได้ยินบางเรื่องเราได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลินชอบอกชอบใจความสุขมันมาจากอารมณ์ทั้งหลาย อย่างเราได้อยู่กับคนนี้เรามีความสุขเรามีบ้านหลังใหญ่ๆมีความสุขมีเงินเยอะๆมีความสุขความสุขที่อาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิน่นอาศัยรสอาศัยสัมผัสอาศัยเรื่องราวทางใจแต่ในบรรดารูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสทั้งหลนะายกระทั่งเรื่องราวในใจเรามันเป็นของแปรปรวนตลอดเวลาความสุขที่เองอาศัย สิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายหรืออาศัยความคิดนึกปรุงแต่งของตัวเองนะมัแปรปรวนไปด้วยความสุขอย่างนี้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเพราะความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นอาศัยการจินตนาการเอาเนะี่ยมันดับไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ว่ามันดับรวดเร็วนั้นเรายังต้องตกเป็นทาสของมันด้วย อย่างเรามีความสุขที่ได้อยู่กับคนคนหนึ่งเราก็ต้องคอยเอาใจเขาเรากลัวเขาไม่อยู่กับเรานะเรามีความสุขที่เรามีบ้านหลังใหญ่ๆมีบ้านหลังใหญ่ๆก็มีภาระเยอะเสียภาษีก็เยอะดูแลก็ยากอนะไรอย่างเงี้ยมีความสุขที่ได้มีรถยนต์คันโต ต, ตแพงๆมีรถยนต์ก็เป็นห่ว ง, งนะีงมีภาระต้องดูแลถึงเวลาต้องเอาข้าบศู์ ไปดูโนอนดูนี่เสียตังค์มากมายกลัวมันหายด้วยมีความสุขที่ยิงอาศัยของข้างนอกนะของข้างนอกเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยหรือความสุขที่อาศัยการคิดเอานะเป็นความสุขลมๆแหลงๆฝันๆเอาไม่ใช่ของจริงมีความสุขที่อาศัยอารมณนะ์เนี่ย อ่ศัยรูปอาศัเสียงอาศัยกลี่นอาศัยรสอาศัยสัมผัสอาศัยเรื่องราวทางใจเป็นความสุขที่อยู่ไม่ได้นานแล้วก็การแสวงหาความสุขอย่างนั้นก็เหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ต้องได้มาก็ต้องดูแลดูแลดีแค่ไหนวันหนึ่งมันก็ไปอย่างเราไปหาเมียมาสักคนหนึ่งนะสวยสวยสว ย, ส, ว ย, ส, วยสุดขีดเลยเมียมไม่ได้หนีไปไหนนะแต่ความสวยเขามานําไป สวยไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วคนไทยก็ชอบร้อกันนะพวกภรรยาทั้งหลายเนี่ยอะไรนะแก่ง่ายแก่ง่ายนะตายยากพูดมากกินจุแถมยังดุย่างก็หมาอีกีกแสดงว่าผู้หญิงไทยเนี้ยดุมากเลยเ <N> นี่ยความสุขที่อาศัย มีเมียสวยความสวยมันอยู่แป๊บเดียวเองความสุขก็หายไปละคนตึองมีสติปัญญามากๆก็จะไม่หาความสุขอย่างนั้นบางคนก็เลยเปลี่ยนใหม่ความสุขจากการได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสมันเสียอิสรภาพไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยมาหาความสุขภายในความสุขภายในอันนี้นไม่ได้ไปนั่งคิดนั่งฝันจินตนาการอะไรให้เพลิดเพลินอย่างที่คนทั่วๆไปทํา คนพวกหนึ่งก็จะมานั่งสมาธิให้ใจสงบแล้จิตใจสงบก็มีความสุขอีกแบบหนึงน่งเรียกว่าความสุขของฌานความสุขของสมาธิฌานมีสองระดับรูปฌปานเราเพ่งรูปเช่นเราเพ่งลมหายใจกลายเป็นแสงสว่างเราเพ่งแสงสว่างอยู่นี่เป็นการเพ่งรูปอยู่ หรือบางทีก็เพ่งนามารมเพ่งจิตเพ่งใจเพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรนะี่เพ่งนามาทำไม่มีรูปนะเพ่งแล้วใจสงบสบายมีความสุขอยู่ได้นานบางศาสนาเนี่ยสอนให้ทำสมาธิเพื่อให้ได้ความสุขชนิดนี้แล้วบอกว่านี่คือจุดสูงสุดเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพพุทธเจ้า ก็ออกมาบวชเป็นเจ้าชายออกมาบวชสิ่งแรกที่ท่านทำก็คือไปหาฤาษีไปหันนั่งสมาธิหาความสุขทางใจอย่างนี้แหละความสุขนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์ทางกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายซึ่งตอนท่านเป็นเจ้าชายเนี่ยมีอยู่อย่างเต็มที่แล้วท่านพบว่ามันใช้อะไรไม่ได้จริงให้ความสุขไม่ได้จริงก็เลยไปหาฤาษี ไปหาความสุขทางใจให้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิสงบแล้วมีความสุขพอออกจากสมาธิมาความสุขก็ค่อยๆหายไปอีกทนะ่านก็เพราะว่าความสุขจากการนั่งสมาธิมันก็เหมือนกับความสุขในการได้เห็นรูปได้ยินเสียงอะไรนั่นแหละคือมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปท่านต้องการความสุขที่มันอมตะวันนั้นที่มันไม่ตายี้สิ่งเหล่านี้ยังเสื่อมสลายไป อุสานั่งสมาธิแทบแย่เลยเสร็จแล้วความสุขก็หายไปท่านก็เลยมาค้นพบวิธีของท่านเองวิธีที่หาความสุขอย่างแท้จริงได้นะก็คือการรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แล้วจิตมันพ้นจากทุกข์ไดนะ้งั้นเป้าหมายในการปฏิบัติเนะี่ยเราไม่ได้มุ่งหาความสุข ถ้ามุ่งหาความสุขเราก็จะต้องไปหารูปหาเสียงหากิีนหารสหาสัมผัสหรือไปนั่งสมาธินั่นปฏิบัติเพื่อเอาความสุขของอย่างนั้นยังใช้ไม่ไดนะ้ท่านปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ความดับสนิทของทุกข์เมื่อไรมันไม่ทุกข์เมื่อนั้นมันก็สุขของมันเองนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามคือกายคือใจของเรานี่เอง ท่านให้มาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจอันนี้เป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่มีในคำสอนของศาสน า, า, าอื่นๆเลยนะคนอื่นๆมีแต่เรื่องอย่างอื่นเช่นไปนั่งสมาธิให้สงบอะไรเงี้ยหรือว่ามีศรัทธามากๆเชื่อมั่นในพระเจ้าก็มีความสบายใจอยากจะถูกเขาฆ่าตายนะก็เชื่อว่าเดี๋ยวพระเจ้าต้องมาพาไปอยู่ด้วยก็สบายใจ พระเจ้าไม่ได้เอาความสบายใจอย่างเด็กๆอย่างนั้นท่า น, นต้องเอาพ้นทุกข์ได้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยมีความสุขได้ต่อหน้าต่อตาความสุขที่อมตะด้วยสิ่งที่ท่านค้นพบก็คือการรู้ทุกข์นี่แหละจะทําให้หมดความอยากถ้าหมดความอยากใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนะท่านคนพบรากเหง้าของความทุกข์ ความทุกข์ทางจิตใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะใจมันมีความอยากขึ้นมามันอยากได้รูปมันก็ทุกข์แล้วนะนี่พอไปหารูปที่ถูกใจได้แหมรู้สึกสบายใจเสร็จแล้วมันก็หายไปอีกก็ต้องอยากอีกเกิดความอยากไม่รู้จักจบเดี๋ยวก็อยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสหรือว่าอยากนั่งสมาธิอยากสงบอยากเข้าฌานต้องอยากเรื่อยๆ ท่านคนพบว่าความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกเกิดขึ้นทุกทีพวกเรากลับบ้านไปนะเราไปสังเกตดูว่าที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้จริงไหมเวลาใจเราเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยใจเรามีความทุกขทันทีเลยคนซึ่งไม่มีสติปัญญามากพอนะเขาคิดว่ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกต้องไม่สมอยากเราถึงจะทุก พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าทันทีที่มีความอยากก็ทุกเรียบร้อยละใจจะดินน้นรนใจจะถูกบีบคั้นใจจะถูกบังคับนะให้ดิ้นรนไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาพทธภาหาธรรมรมณเดี๋ยวเราลองไปสังเกตตัวเองนะว่าทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าทนะ้าให้ลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าท่านได้เห็นแล้วว่า ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วท่านก็สาวลึกลงไปอีกว่าทําไมความอยากมันถึงมีจะไปสั่งมันไม่ให้อยากได้ไหมสั่งใจว่าอย่าอยากมันสั่งไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตาท่านก็ค้นพบว่าที่ใจมันอยากาเพราะใจมันโง่ใจมันไร้เดียงสามันไม่รู้ความจริงของกายของใจถ้ามันรู้ความจริงของกายของใจได้แจ่มแจ้งแล้วนะรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข ใจนี้คือตัวทุกข์เมื่อรู้ความจริงแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยรู้ทุกข์นั่นแหละเป็นการละความอยากในหลักขององริยสัจ ส, สี่นะทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคทุกข์คือรูปนามกายใจนี้สมุทัยคือความอยากนี่โรธคือนิพพานมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญา ท่าบอกว่าทุกให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธให้ทําให้แจ้งมักทําให้เจริญศีล ส, สมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นมานี่ว่าเจริญมักหน้าที่ต่อทุกคือรู้หน้าที่ต่อสมุทยัยหรือตัวความอยากนะ่ยคือการละหน้าที่ต่อนิพพานนะคือการเข้าไปเห็นหน้าที่ต่อมักคือการทําให้เกิดศีลสมาธิปัญญามากขึ้นมากขึ้น ฟังดูแล้วเหมือนมีงานมากในความเป็นจริงแล้วเมื่อไหร่รู้ทุกเมื่อนั้นละสมุไทยละเองนะละอัตโนมัติเลยถ้าเมื่อไร่เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างแต่กายนี้เป็นทุกตลอดเวลาทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นเองถ้าไปสังเกตในร่างกายนี้จะเห็นว่าความทุกเกิดขึ้นตลอดเวลาช่วงไหนที่ร่างกายทุกน้อยคนโง่ ก็คิดว่ามันมีความสุขเวลาทุกข์มากขึ้นมาถือจยอมรับว่ามันทุกข์พวกเราภาวนาเราปฏิบัติเรารู้สึกอยู่ในกายเราเห็นความจริงของกายไปเรื่อยๆน่าจะเพราะว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นทุกข์ล้นล้วนเมื่อมันเป็นทุกข์ล้นลว น, น, น, ลวนแล้วเราเห็นจริงแล้วเนี่ยความอยากจะให้ร่างกายไม่ทุกข์เนี่ยจะไม่มีเพราะความอยากจะให้กายไม่ทุกข์เนี่ยเป็นความไร้เดียงสา การนี้คือตัวทุกข์เหมือนอยากให้ไฟไม่ร้อนเนี่ยเป็นความไร้เดียงสาของเราหรืออยากให้ร่างกายเป็นสุขนี่ก็เป็นความไร้เดียงสาของเรามันสุขไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงความยึดถือในร่างกายมันจะไม่มีความอยากจะให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้ใจเป็นสุขไม่มีอย่างพวกเราเนี่ยขณะนี้ไม่สามารถเห็นได้ว่าร่างกายเป็นทุกข์ เราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะอะไรเพราะเราตามดูไม่บ่อยพออย่างเวลาเราคันนะนั่งนั่งอยู่เราคันเราก็เก่าเราไม่เห็นเลยว่ามันทุกข์นะไม่ได้รู้สึกเราเก่าอัตโนมัตินั่งอยู่มันเมื่อยเราก็ขยับไปขยับมาอัตโนมัติเร า, ายังไม่ได้รู้สึกเลยว่าร่างกายนี้มันทุกข์เนะี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์ ทุอยู่ทุกทุอิทิยาบทนั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกละเอียดกว่านั้นอีกหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าแล้วก็ทุกก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทุกก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกของการหายใจออกลองหายใจซีเราหายใจเข้ายาวที่สุดเลยดูซิว่าทุกหรือสุข หายใจอยากหายใจออกนะหายใจเข้าอย่างเดียวทุกไหมต้องรีบหายใจออกเอาหายใจออกไปเพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจออกให้ยาวที่สุดเลยอย่าหายใจเข้าทุกไหมนะลองดูนะคนจีนลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็จะทุกต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกพอหายใจออกไปแล้วก็ทุกอีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกอีกแล้ว ความทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์แล้วความสุขจะอยู่ตรงไหนความสุขไม่มีเลยเนะี่ยถ้าสติของเราละเอียดนะเราดูลงไปนะในร่างกายมีแต่ตัวทุกข์พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากจะให้กายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะถ้าเห็นอย่างแท้ จ, จริงนะจะได้ธรรมะชั้นพระอนาคามีนีชั้นที่สาม การบรรลุธรรมมีสี่ชั้นนะถ้าเห็นกายเป็นทุกข์อย่างแท้จริงนะจิตจะปล่อยวางไม่ยึดถือกายแล้วคราวนี้จะแก่ก็ไม่เดือดร้อนแล้วจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนแล้วจะตายก็ไม่เดือดร้อนลไม่ครุ่มใจงั้นถ้าเราเห็นพระสักองค์หนึ่งนะเจ็บมากเลยแล้วก็ไม่เดือดร้อนบางคนจะบอกว่าพระอรหันต์สรุปเร็วไปอาจจะพระอนาคาหรือพระอรหันต์ก็ได้เปนะแน่เพราะระดับพระอนาคาเนี่ย จะปล่อยกายแล้วนี่ถ้าเรามาสังเกตจิตใจของเรามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราก็จะเห็นว่าจิตใจนีน่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะวเวลามีความอยากเกิดขึ้นที่ไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีไปหาดดูนะดูไปเรนะื่อยมีจิตอยู่มยังอยากอีกนะอยากโน้อนอยากนี้ไปเรื่อยอยากสุขอยากสบาย อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสมีความอยากเกิดทีไรความทุกเกิดทุกทีเลยเนี่ยเรามารู้เท่าทันลงไปนะแล้วเห็นในอยากได้ความสุขนะไปหาความสุขมาความสุขอยู่ที่ใจเราชั่วคราวแล้วก็หายไปเกลียดความทุกข์นะความทุกข์มาแล้วหาทางแก้ไขความจริงไม่ต้องแก้ไขเดี๋ยวมันก็หายเหมือนกันนะเพราะมันไม่เที่ยงหรอกทุกอย่างที่เข้ามาในใจเรา เรียกวความสุขทั้งหลายที่เราวิ่งหาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะได้มาแป๊บเดียวสุขแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแล้วอยางอยากมีแฟนสวยๆนะได้แฟนสวยๆมาแนะมีความสุขแฟนยังไม่ทันแก่เลยนะใจไปมองคนอื่นต่อแนละ้วอยากได้ต่อไปอีกแล้นะใจเ็จะดิ้นไปเรื่อยๆจิตใจเราเนี่ยเหมือนธาตุจิตใจนี่เป็นธาตุนะธาตุของตัณหาของความอยาก ความอยากมันจะบงการจิตให้ทำงานตลอดเวลามันสั่งตลอดเวลาสั่งให้อยากนอนอยากนี้ไปถ้าเราวิ่งดิ้นรนไปตามที่มันสั่งสนองความอยากไปมันจะให้รางวัลโยนความสุขเล็กๆมาให้อันหนึ่งแล้วมันจะสั่งงานอันใหม่ทันทีเลยแต่ถ้ามันสั่งให้เราทำงานนะมีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราไม่ยอมสนองมันนะมันจะลงโทษให้ความทุกข์ทันทีเลย งั้นตัวตัณหาหรือตัวความอยากเนี่ยเป็นเจ้านายลึกลับอยู่ในใจเราจิตของเราเองตกเป็นทาสของเจ้านายลึกลับตกเป็นทาสของตัณหานี้มันสั่งงานให้เราต้องทํางานตลอดเวลาสั่งให้วิ่งไปหาความสุขสั่งให้ยังนอนสั่งให้เป็นอย่างนี้เวลาที่ตัณหามันสั่งให้จิตใจทํางานแล้วจิตใจทําตามที่มันสั่ง มันจะให้รางวัลคือให้สบายใจขึ้นนิดหนึ่งแล้วมันจะสั่งงานใหม่ทันทีเลยก็ต้องจิตจะต้องทํางานต่อไปอีกดิ้นรนต่อไปอีกถ้าเมื่อไรไม่ยอมทําตามที่มันสั่งนะหรือทําไม่สําเร็จอย่างที่มันสั่งนะมันจะลงโทษจิตนี้จะมีความทุกข์มากเลยอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากมีทุกข์เยอะนะถ้าพอมีความอยากแล้วเราก็ดิ้นรนจนได้อย่างที่อยากก็สบายใจได้แป๊บเดียวเนี่ยมันฉลาดมากเป็นเจ้านายที่ฉลาดนะ รู้จักให้คุณรู้จักให้โทษแล้วมันเป็นเจ้านายที่ลึกลับที่สุดเราแต่ละคนไม่รู้เลยว่าเราเป็นทาสเราคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองแท้จริงเราเป็นทาสของตัณหาหรือของ้ตัวความอยากนี้เองมันสั่งเราตลอดวันสั่งเราตลอดคืนอยู่บ้านสั่งให้มาวัดถ้าได้มาวัดแล้วสบายใจสบายใจแป๊บเดียวมันสั่งให้กลับบ้านอีกแล้ว หรือมันสั่งให้กลับบ้านแล้วเราไม่ได้กลับสถกทีหลวงพ่อเทศไม่เลิกสถกทีกลุ้มใจเนี่ยถูกมันลงโทษแล้วลุ้มใจแล้วความอยากเกิดขึ้นมาไม่สนองมันก็ถูกเลยลงโทษมันเป็นเจ้านายที่เก่งนะมันฉลาดมันให้คุณให้โทษเราในการปกครองจิตใจของเราจิตใจเราเป็นทาตความน่ากลัวที่สุดของตันหาอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเจ้านายที่เราไม่รู้จัก เป็นเจ้าหนายลึกลับมันสั่งเราโดยที่เราคิดว่าเราสั่งตัวเองมันสั่งจิตใจเราให้ทํางานเรื่องโน้นเรื่องนี้นะแต่เราคิดว่าเรากําลังสั่งตัวเองอยู่เราเป็นทาตโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นทาตเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจกากความเป็นทาตได้เลยอาศัยการที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะเรารู้ทันมันไปเวลาตัณหาความอยากใดๆเกิดนะพวกเราหัดรู้มันเข้าไป พอรู้มันนะมันเป็นเจ้าหนายที่ประหลาดนะเก่งแสนเก่งนะแต่ถ้ารู้ทันแล้มันจะหนีไปมันจะหนีมันจะหายแวบไปเลยเน่เวลาความอยากเกิดขึ้นพอเรารู้ทันมันจะหายไปเลยเนี่ยแล้วเราก็พอมันหายไปแล้วนะเราใจของเราสบายๆแล้วเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญาเราแก่กล้าเราเห็นความจริงเลยกายนี้ทุกลุ้นๆจิตนี้ทุกลุ้นๆ จิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การถูกบีบคั้นต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยร่างกายเราไปทำงานนะรับจ้างทำงานวันหนึ่งแชั่วโมง10บชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรเนี้ยแต่จิตใจเนี้ยทำงานวันหนึ่งเกือบ24ชั่วโมงนะงั้นจิตเนี่ยทำงานตลอดเวลาเลยเหน็ดเหนื่อยมากเลยนะนานจะได้พักนะพักวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงหรอกพักนิดเดียวก็ฝันต่อแล้วนอนกลางคืนฝันไหม งคนบอกไม่เคยฝันเลยเพราะอะไรหลับไม่รู้เรื่องเลยกระทั่งฝันยังไม่รู้เลยนะไม่เอาไหนเลยนะถ้าพวกภาวนานดีๆนะจิตมันฝัน้วรู้เลยว่าจิตมันคิดความฝันคือความคิดความคิดตอนหลับเนี่ยคือความฝันนะนั้นจิตไม่ได้เคยพักผ่อนเลยจิตต้องทำงานตลอดเวลานะไ ด, ได้รับความทุกข์ยากมากกว่าร่างกายนี่ซะอีกแต่เรามองไม่เห็น นี่เราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจโลภหลุดหลงก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆจิตใจมีความอยากก็รู้จิตใจมีความยินดีชอบใจก็รู้จิตใจมีความยินร้ายไม่ชอบใจก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็น ler? มีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปมีแต่ของบีบคั้นเนี่ยดูไปดูไปนะวันหนึ่ง จิตจะหมดความยึดถือจิตภาวะที่จิตหมดความยึดถือจิตนะก็เหมือนกับภาวะที่จิตไม่ยึดถือกายนะมันสลัดคืนมันปล่อยพวกเราในขั้นต้นที่ฝึกหัดกันเนี่ยเรายังไม่สามารถจะเห็นสภาวะที่จิตปล่อยวางร่างกายหรือจิตปล่อยวางจิตได้เบื้องต้นเราเห็นได้แค่จิตปล่อยวางอารมณอย่างเวลาจิตไม่เข้าไปจับอารมณ์จิตมันตะครุบอารมณ์ไหม พอเราภาวนาเรารู้ทันนะจีมันปล่อยอ่ะรู้สึกไหมตอนที่มันปล่อยได้มันสบายใจมันมีความสุขนี่แค่ปล่อยอารมณ์ซึ่งเป็นของนอกนะจะมีความสุขขนาดนี้เลยถ้ามันปล่อยร่างกายได้มันจะมีความสุขเยอะกว่านี้หลายเท่าแล้วถ้ามันปล่อยจิตได้นะมันจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเป็นความสุขที่มหาศารความสุขที่น่ากลัวเชอะนะบางคนโอ้อยสุขปังตายในโลกนี้คนรู้จักแต่ทุก ทุกขจนทั่งแทบตายทุกข์จนตายแต่ความสุขเนี่ยนะถ้ามันมหาศาลจริงๆนะมีความรู้สึกโอ้ยสุขแทบตายเลยใจจะแตกเลยใจเหมือนใจจะระเบิดเลยนะมีความสุขมากเลยแต่สักพักหนึ่งก็หายนะไม่ต้องตกใจไม่แตกไม่ตายหรอก <c oughs> แล้วถัดจากนั้นเนี่ยใจเรามีความสุขมีความสงบอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้ว นะไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษานะทํายังไงกิเลสก็เข้ามาครอบงําใจไม่ได้อีกละนะนี่ความอัศจรรย์ของการปฏิบัตินะวิธีการของพุทธเจ้าคือปฏิบัติแล้วท้าถึงที่สุดแล้วจบแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอีกไม่เหมือนงานทางโลกทุกเดือนต้องไปทํางานได้เงินเดือนมาเอาไปกินแล้วก็ต้องทํางานอีกเพื่อจะได้มีกินเดือนต่อไปอีกงานตลอดชีวิตเลยไม่รู้จักจบแต่งานปฏิบัติธรรมเนี่ยมีที่สิ้นสุด เมื่อไรปล่อยวางจิตได้แล้วนะจิตต้องปล่อยวางจิตเองนะเราอย่าไปปล่อยนะถ้าเราอยู่ๆเรานึกว่าต้องปล่อยวางจิตเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยเราจะเพี้ยนไปเลยนะกายเป็นคนไม่เอาไหนเลยใช้ไม่ได้มันปล่อยด้วยปัญญามันปล่อยด้วยปัญญาเห็นแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์หรือมันปล่อยกายนี่ก็ปล่อยด้วยปัญญาเห็นแจ้งว่ากายนี้คือตัวทุกข์มันปล่อยของมันเองอย่าไปนึกปล่อยเอานะ บางทีเอาละฉันจะปล่อยวางแล้วแต่ปี น, นี้มีนะบางคนภาวนาะนะไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นเลยเจอพระพุทธรูปนะเดินเตะเล่นนี่เพราะว่าไม่ยึดถือไม่รู้จักอะไรเลยนะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างศีลไม่ต้องรักษาเพราะไม่ยึดถืออ้าวก็เหมือนหมาสิหมาก็ไม่ได้รักษาอะไรอะไก็ไม่เอาไม่ยึดถืออะไรสักอย่างน ะ, ะทาตัวเหมือนหมูเหมือนหมาไป หมาเนี่ยไปเจอพระพุทธรูปตั้งอยู่มันอา จ, จะฉี่รถก็ได้ใช่เพราะมันไม่รู้เดียงสาไปฝึกไปฝึกมาเหมือนหมาขึ้นมาไม่ได้เรื่องเลยนะมันเป็นการยึดในความคิดเห็นมันแค่ยึดในความคิดเห็นว่าจะไม่ยึดกลายเป็นว่ายึดความไม่ยึดถือใช้ไม่ได้นะยึดความไม่ยึดถือมันก็คือยึดนั่นแหละแล้วเราดูความจริงของรูปนามกายใจเรยไปอย่าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้า พระเจ้ากว่าจะค้นพบเส้นทางนี้ได้นะบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งนานจนกระทั่งจั ก, กรวาลแตกจั ก, กรวาลดับเนี่ยนะนับจํานวนครั้งไม่ท่วนเลยกว่าจะได้ปัญญาว่าต้องรู้ทุกนะพวกเราเก่งแค่ไหนอยู่ๆบางคนก็นึกไม่ต้องยึดอะไรไม่ต้องรู้ทุกหรอกไม่ยึดสัดอย่างอะไรๆก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดพูดเอาเองคนจีนต้องระวังนะเพราะว่ามันมีคําสอนของอย่างของเซนของอะไรเนี่ยแบบทุกอย่างว่าง ก่อนจะว่างมันไม่ว่างมาก่อนนะเรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่คู่ไปก่อนแล้วพอรู้แจ้งในสิ่งที่เป็นคู่คู่แล้วมันจะทิ้งสิ่งที่เป็นคู่เข้าถึงความเป็นหนึ่งคือจิตซึ่งบริสุทธิ์อยู่ๆเนี่ยจะไปทิ้งทุกอย่างนะไม่ยึดถืออะไรเลยมันทำไม่ได้มันกลายเป็นยึดถือความคิดว่าจะไม่ยึดถือยึดถือความคิดเห็นของตัวเองว่าจะไม่ยึดถืออะไรเลยนะเราอย่าไปเก่งว่าพระเจ้า พระเจ้าสอนให้เรารู้ทุกคือรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งจิตมันรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็วางความยึดถือในกายวางความยึดถือในจิตลงไปเราจะเข้าถึงความเป็นหนึ่งแล้วคราวนีนะ้จิตตัวนี้ท่านไว้หลังท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้ท่านฮวงโปรเรียกจิตหนึ่งนะครูบาอาจารย์ในเมืองไทยท่านก็เรียกหลายอย่าง อย่างท่านพุท ธ, ธาทาสท่านก็เรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่ดุลก็เรียกตามท่านมงโปว่าจิตหนึ่งหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจสมเด็จพญายนังวรรท่านเรียกว่าวิญญาณาธาตุหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมาธาตุหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่าใจเดียวมีใจเดียวก็หนึ่งเหมือนกันมีภาษาที่ใช้เรียกหลายตัว แต่เป็นภาวะอันเดียวกันภาวะบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีอะไรเจือปนได้อีกต่อไปจะเข้าถึงภาวะอันนี้ได้นะก็เรียนรู้ทุกให้มากนะเรียนรู้ทุกให้มากมันจะละสมุทัยละความอยากแล้วเราจะเข้าถึงสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งนี้ได้นะรู้ทุกเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยได้มานั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธซึ่งเป็นหนึ่งนี้แหละเมื่อนั้นเมืนะ่อแจ้งนิโรธแล้วนะสีสมาธิปัญญาอะไร มันจะเกิดขึ้นในขณะจิตที่แจ้งพระนิพพานครั้งนั้นแหละในขณะเดียวเลยถัดจากนั้นก็หมดหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญาจิตดำรงสู่สภาวะซึ่งมันไม่มีกิเลสแล้วไม่ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมารักษาจิตอีกต่อไปแต่จิตนั้นมีศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติมีเองอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะสติบริบูรณ์เลย ไม่มีอะไรแอบแฝงเจือผลเข้ามาได้สักนิดเดียวงันพวกเราอย่าไปเมาคำสอนบางอย่างนะทุกอย่างว่างเปล่าไม่ต้องทำอะไรหรอกโอ้ถ้าอย่างนั้นหมามันรู้หมดแล้วหมาไม่ได้ทำอะไรสักตวัวนะกินกินนอนๆอนอะไเงี้ยเพราะเราต้องรักษาศีลต้องฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวต้องเจริญปัญญาด้วยการเห็นความจริงของรูปนามกายใจ เรียกว่ารู้ทุกไปทําได้พอนะวันหนึ่งจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายวางความยึดถือในใจแล้วเราจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงมันมีความสันติความสงบนะมีความสงบที่แท้จริงในโลกนี้คนเรียกหาสันติภาพแต่ไม่เคยมีเลยนะแล้วคนเรียกหาอิสระภาพเรียกหาเสรีภาพแต่ไม่มีเลยวันใดที่เราเข้าถึงภาวะแห่งความเป็นหนึ่งอันนี้แล้วนะ มีความสงบมีความสันติอัตโนมัติไม่คลอนแคลนอีกลนะและมีอิสรภาพเต็มร้อยละเราไม่ตกเป็นทาสของตันหาอีกต่อไป ล, นะละเรามีอิสรภาพเต็มที่ตันหาเนะี่ยอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิน่นอาศัยรสอาศัิสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายอาศัยเรื่องราวทางใจเนะี่ยเป็นเครื่องมือในการสั่งงานเรานะสิ่งเหล่านะั้นเป็นเครื่องมือของตันหา งั้นวันที่เราเข้าถึงธรรมที่แท้จริงแล้วเนี่ยตัณหามันถูกฆ่าตายถูกทําลายไปด้วยการรู้ทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละคือทําลายตัณหาหมดเลยเราก็เข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงจิตใจที่มีตัณหาวงการอยู่ไม่มีวันสงบสุขหรอกมันจะวิ่งพลานตลอดเวลาเงั้นรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะพยายามรักษาศี่ห้าไว้หข้อพอละ ก็ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อก็ตัวอย่าใจลอยรู้สึกตัวสบายๆอย่ารู้สึกแบบเคร่งเครียดด้วยรู้สึกสบายๆรู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมดาพอจิตใจเป็นสบายๆรู้สึกตัวสบายๆแล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเรื่อยไปสติปัญญามากพอเมื่อไหร่อริยามรักก็จะเกิดขึ้ น, นเราก็จะสัมผัสพนิพภัณ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่สเธอถึงครั้งที่4นะ เราจะรู้จักพระนิพพานแจ่มแจ้งแนละ้วแค่เรา ล, ลึกถึงก็สัมผัสเลยไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนเลยเอาไปกินข้าวนะนิมนต์นะครับ